ต่อจากนั้นพระธรรมเสนาบดีได้เปรียบตนเองกับผ้าเช็ดทุเรีกับเด็กจันทานกับโคเขาขาดกับสตรีหรือบุรุษผู้เกลียดชังซากศพงูและกับคนประคองภาชนะน้ำมันโดยนิยะว่าอันว่าผ้าเช็ดทุเรียย่อมเช็ดได้ทั้งของหอมและของเหม็นของสะอาดและของโสโครกเด็กจันทานถือตะกร้านุ่งผ้าเก่า เข้าไปยังบ้านหรือในคมย่อมตั้งใจนอบน้อมเข้าไปโคที่เขาขาดแล้วได้รับการฝึกดีแล้วย่อมสงบเสงี่ยมเดินไปตามถนนหุนทางตามตรอกเล็กซอกน้อยก็ไม่เอาเท้าหรือเอาเขากระทบอะไรอะไรฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นมีใจอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีเวรไม่คิดเบียดเบียนใครๆ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 ไหลเข้าไหลออกฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นบริหารกายนี้ประคับประคองกายนี้ซึ่งมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่มีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เนึ่งนิดข้าพระองค์ย่อมระอิตระอาต่อกายนี้อันหนึ่งบุรุษผู้ประคองถาดน้มันที่เต็มและมีคนอื่นถือดาบเปนคมกริบอยู่ข้างหลังพลางบังคับให้ถือถาดน้มันโดยดี ถ้าหกเพียงหยดเดียวจะประหารชีวิตเสียบุรุษผู้นั้นย่อมตั้งใจประคับประคองถาดน้มามันนั้นอย่างไรข้าพระองค์ก็ประคับประคองกายของตนฉะนั้นพระองค์ผู้เจริญสติอันเป็นไปในกายอันภิกษุใดไม่ได้ไปตั้งไว้ได้ดีแล้วภิกษุนั้นพึงกระทบเพื่อนพรหมจันทร์แล้วหลีกไปโดยไม่ได้ขอโทษเป็นแน่แท้ เมื่อพระธรรมเสนาบดีกล่าวคุณของตนอยู่อย่างนี้มหาปตพีได้แสดงอาการหวั่นไหวและในขณะที่พระเทระเปรียบตนด้วยผ้าเช็ตตุรีด้วยเด็กจันทานด้โคขาวขาดและถาดน้ำมันนั้นภพกษุผู้เป็นปุตุชนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ส่วนพระอระหันตะขีนาศบรงธรรมสังเวชขณะนั้นเองความเร่าร้อนในสรีระ ได้เกิดแก่พิสุผู้กล่าวตูท่านหมอบลงแทบพระบาทยุคนแห่งพระศ า, ศาสดาทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นกุลพานเป็นคนหลงไม่ฉลาดได้กล่าวตูพระธรรมเสนาพอดีด้วยคําเท็จขอได้โปรดอดโทษให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดเพื่อความสํารวมระวังของข้าพระองค์ต่อไปพระศ า, ศาสดาตรัสว่า การทำความผิดแล้วรู้สึกผิดแล้วขอโทษเสียเพื่อสารวมระวังต่อไปนั้นเป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าดังนี้แล้วตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอควรอดโทษให้โมคบุรุษผู้นี้ก่อนที่ศีรษะของเขาจะแตกเป็นเศษเสี่ยงพระธรรมเสนาบดีรีบลุกจากอาสนะ นั่งกระโยงประคองอัญเชลีและกล่าวว่าผู้มีอายุผมอดโทษให้ท่านถ้าโทษไร่ไรของผมมีอยู่ขอท่านได้โปรดอดโทษให้ผมด้วยภิกษุทั้งหลายได้เห็นหนางนั้นต่างชมเชยพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีคุณไม่ต่ำซามไม่ได้โกรธหรือถือโทษภิกษุผู้กล่าวตูเลยแม้แต่น้อยท่านยังนา่งประโยงประคองอัญเชลี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 ท่านเป็นผู้ที่มั่นคงเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ที่มีวัดดีพองใสยอยู่ประดุดท่วงน้ำลึกสแจ๋วไม่ขุนมัวได้ตมพระราดาดูเถิดดูคุณอันไม่ตำซามของพระเถระผู้เป็นที่สองรองจากพระบรมศาสดาและเป็นเลิศกว่าพิสุสาวกทั้งหลายทางปัญญาเป็นผู้มีจิตอ่อนโยน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 และความสูญเสียจะต้องมีอย่างแน่นอนเตรียมใจไว้รับเถิดเร็วหรือช้าเท่านั้นพระราดาเราจองดูให้แน่ชัดเถิดในชีวิตของปุตุชนนั้นบุคคลเคยลุ่มหลงเพลิดเพลินกับสิ่งใดเขาย่อมจะต้องทุกข์ทรมานกับสิ่งนั้นพูดอีกทีหนึ่งสิ่งใดที่ให้ความทุกข์ทรมานอยู่เวลานี้เขาเคยเพลิดเพลินหลงหลกับสิ่งนั้นมาบ้างแล้วหรือในอดีต ลองตรวจดูลองสำรวจจะเห็นและจะเห็นทุกเรื่องไปที่เป็นโลกิยารมหรือโลกิยาสมบัติพระราดาพระอริยเจ้าท่านกล่าวว่าน้ำย่อมขุนเพราะมีฝุลละ อ, องหรือมีเปือกตมฉันใดใจของคนก็ย่อมขุนมัวเพ้เปลือกตมคือกาม้นาธรรมดาย่อมเสียดแทงผู้เห็บมันให้เจ็บช้ำฉันใด้นาคือกาม ย่อมเสียบแทงใจของผู้หลงไหลในการมคุณให้ชอกชำฉะนั้นพระราดาพระธรรมเสนาบดีท่านระอิดระอาอยู่เหนื่อยหน่ายอยู่ซึ่งอัตภาพนี้อัตภาพอันเปรียบเส ม, มือนซากงูหรือซากสุนัขท่านไม่มีความกำหนัดไม่มีความพอใจซึ่งอัตภาพอันเป็นเส ม, มือนถาดน้ำมันที่มีรูทะลุพระราดา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 ความตึกในใจก็เกิดแต่อัตภาพนี้แล้วก็ดักจิตไว้อันว่าย่านไซเกิดจากต้นไซแล้วแผ่ปกคลุมไปในป่าฉันใดความคิดชั่วต่างๆเกิดขึ้นในใจเพรามีตัณหาเป็นแดนเกิดแลแ้วก็แผ่ซ่านไปในวัตถุกามทั้งหลายอัตภาพนี้เกิดจากตัณหาผู้ฉลาดรู้ว่าอัตภาพนี้เกิดจากสินใด แล้วบรนเทาสิ่งนั้นเสียจงฟังเถิดบุคคลเะนั้นแหละย่อมสามารถข้ามห่วงกิเลส ท, ที่ข้ามได้ยากนี้เสียเป็นผู้ไม่มีพบอีกต่อไป อสมัยเมื่อมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคตและวัสกาลพราหมณ์เตรียมการสร้างเมืองใหม่ในเขตปาตลิคามได้ทูลอรัตนาพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์สาวกกรบริวารไปเสวยในนิเวศของตนในเขตปาตลิคามนั้นเมื่อเสวยเสร็จแล้วสรงอนุโมทนาแล้วเสด็จออกจากนิเวศของมหาอมาตย์สุนิ tha และวัสกาลพราหมณ์ตามส่งเสด็จไปเบื้องหลัง พร้อมกับตั้งใจว่าวันนี้พระมหาสมณะโคดมบรมมาสาสดาสเสด็จออกทางประตูใดจะตั้งชื่อประตูเมืองตรงนั้นว่าประตูโคโดมสเสด็จข้าแม่น้นํำคงคาตรงท่าใดจะตั้งชื่อท่าตรงนั้นว่าท่าโคโดมพระมหาสมณะโคดมบรมมาสาสดาสเสด็จยังแม่น้านําคงคาอันมีน้ําเปลี่ยนฝั่งขณะนั้นบุคคลผู้ต้องการจะข้ามฝั่ง บางพวกสแสวงหาเรือบางพวกผูกแพรแต่พระศาสดาพร้อมพระสาวกทรงหายจากฝั่งนี้ไปปรากฏนณฝั่งโน้นด้วยอำนาจฤทธิ์เร็วเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นทรงเห็นพวกมนุษย์วุ่นวายด้วยการหาเรือหาแพรจึงเปลงอุทานด้วยความเบิกบานพระไทยว่าผู้ใดข้ามพ่วงน้าใหญ่คือสังสาระ และสะคือตัณหาด้วยสะพานคืออริยมรคได้แล้วไม่เปื่อนเปือกตมคือการเมื่อบุคคลทั้งหลายจะข้ามน้ำแม่น้อยๆยังต้องอาศัยเรือแพแต่พระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกไม่ต้องอาศัยเรือแพก็ข้ามได้ดูก่อนผู้สแสวงหาธรรมเพระาะพรธรรมคตเจ้าและพระสาวกของพระตถาคตเจ้ามีพระสารีบุตรเป็นต้นเป็นอย่างนี้ คือมีปกติอดทนสิ่งทั้งหลายที่ทนได้ยากเอาชนะสิ่งที่คนทั้งหลายเอาชนะได้ยากและทําสิ่งที่คนทั้งหลายทำได้ยากจึงได้รับสิ่งที่คนทั้งหลายรับได้ยากดังนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมจากมูลนิธิศาลาพระราชศักดคา มูลนิธิถาวรจิตตะทาวโรวงมาลัยอำนวยการอุปถัมภ์โดยพระพิสารพัฒนาธรพระอาจารย์มหาถาวอจิตตถาวโรวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครรายการเจริญธรรมได้เสนอธรรมนิยายจากบทประพันธ์ของวสิณอินทเสระไปแล้วรวมสามเรื่องคือเรื่องพระอ น, นุพุทธอนุชาเรื่องพุทธจริยา เรื่องลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาลเรื่องผู้สละโลกที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นเรื่องที่สี่ในชุดนี้ขอท่านบูสนใจติดต่อสอบถามที่สองห8 2สาแดสองสองและสองห้าสองห้าสี่หห้า ธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงยิ่งดังกล่าวมาจึงเป็นที่เคารพเรื่อมใสของพุทธบริษัททางเครหอัดและบรรพชิตคฤหอัดบางท่านเพียงพระสารีบุตรทักทายปลาสัยกบุตรของตอนเท่านั้นก็มีจิตชื่นบานปลาโมดประมาณไม่ได้ดังพระนางสุปภวาสาโกรลยธิดามีเรื่องย่อดังนี้ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปากุลทะานวันใกล้นครกุนทิยาของพวกเจ้าโคริยวงศ์พระญาติฝ่ายพระมาดาพระนางสุ ป, ปวาสาโกริยธิดาทรงคันอยู่เจ็ดปีเจ็บคันอยู่เจ็ดวันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นด้วยสัมมาวิตกสามประการคือ ระลึกถึงคุณของพระตนะไตรมีอาทิว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบทรงแสดงธรรมเพื่อละความทุกข์อย่างนี้ทรงย้ำอยู่เสมอว่าความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติเพื่อทุกข์อย่างนี้พระนิพพานซึ่งเป็นธรรมไม่มีทุกข์อย่างนี้ เป็นสุขจริงหนอพระราดาพระนางสุปว า, าสาทรงเป็นอริยสาวิกาได้บรรลุธรรมแล้วได้เห็นธรรมแล้วในระดับต้นพระนางได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลื่ดกว่าสาวิกาทั้งหลายผู้ถวายของอันปราณีถวายของด้วยความคเคารพเลื่อมใสแต่พระกรรมเก่าของพระนางและของพระโอรสที่อยู่ในคัน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 จงมีสุขหาโรคมิได้และชงคลอดบุตรผู้หาโรคมิได้เถิดพระราดาเพียงเท่านี้พระนางสุปวารสาก็ประสูตรพริพระโอรสหาโรคมิได้พระโอรสของพระนางก็คือพระศรีวลีนั่นเองเรื่องนี้เป็นไปโดยพุทธานุภาพอันพุทธานุภาพนั้นเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งคือคิดเอาอย่างคนสาหมันคิดไม่ได้เลย พระสวามีของพระนางทรงทราบเรื่องนี้แล้วทรงดีพระไทยเป็นหนักหนาทรงดําริว่าน่าอัศจรรย์จิงเรื่องไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วเรื่องไม่เคยเป็นได้เป็นขึ้นแล้วพระธัคกุจเจ้าทรงมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากน่าเพลิดเพลินจริงพระนางสุปภาวษาทรงของร้องพระสวามีให้ไปทูลเชิญพระาศาสดา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 ถ้าจะเลื่อนการถวายทายธรรมของตนไปภายหลังกิจนิมนต์ของพระนางสุ ป, ปว่าสาแล้วจะขัดข้องหรือไม่เมื่อพระมหาโมคคลานะไปขอร้องอาสุกดังนั้นอุบาสกจึงกล่าวว่าถ้าพระคุณเจ้าเป็นผู้ประกันเรื่องสามอย่างได้ก็จะยินยอมตามที่ขอร้องถ้าประกันไม่ได้ก็ไม่ยินยอมคือภายในเจ็ดวันนี้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 ส่วนว่าศรัานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจอาตมาประกันให้ไม่ได้ขอท่านชงประกันตัวท่านเองเถิดอุบาสกนั้นจึงรับว่าจะประกันศรัทธาของตนเองเพราะเป็นผู้ได้เห็นสัจธรรมแล้วศรัทธาจึงไม่คลอนแคลนข้า อ, อนุญาตให้พระาศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ไปเสวยที่พระราชนิเวศของพระนางสุปวาสากนด้วยความเคารพในประมาโมคลานะ และได้ความปรารถนาความสุขและความเจริญได้บุญของพระนางสุปวาสานั้นด้วยดูก่อนผู้สแสวงธรรมเรื่องนี้บางคนอาจจะตำหนิว่าพระศ า, ศาสดาทาไมจึงทรงรรมเช่นนั้นเล่าในเมื่อทรงรับนิมนต์ของอุบาสกไว้ก่อนแล้วที่ทรงถารรมเช่นนั้นน่าจะเป็นด้วยเหตุสองประการคือประการหนึ่งทรงบำเพ็ญญาตถจ ร, ริยาคือประโยชน์ของพระญาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในประโยชน์สามที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นประจำอีกประการหนึ่งพระนางสุปวาสาผ่านอันตรายแห่งชีวิตมาใหม่ๆหากได้ทำบุญตามใจปรารถนาย่อมจะทรงปีติโสมนัสมากเป็นพิเศษพระนางสุปวาสาโกรยธิดาทรงอังคาคือเลี้ยงพิสุสง์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาธนยะโภชนิยาหารอัปะณีต ด้วยพระหัตของพระนางเองสิ้นเวลาเจ็ดวันให้ทารกถวายบังคมพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์พระสารีบุตรได้ทักทายทารกนั้นว่าพ่อหนูสบายดีหรือเพียงเท่านั้นเองพระนางสุปวาสาทรงชื่นชมโสมนัสยิ่งนักที่พระธรรมเสนาบดีทักทายพระโอรสของตนดูเถิดพระราดาคนดีมีศีลธรรม เข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็กอ่อความชุ่มชื่นร่มเย็นเป็นสุขแก่ปูนันศีลธ ร, รรมจึงเป็นกันสารของชีวิตหาใช่สิ่งอื่นไม่พระบรมศาสดาทรงทราบวาะจิตของพระนางสุปวาสาว่าชื่นชมเบิกบานเะนั้นจึงตรัสถามว่าถ้ามีบุตรอย่างนี้อีกจะพอพระไทยไหมพระนางกราบทูลว่าหม่อมฉันปรารถนาอีกแม้สักเจ็คนก็ได้ พระสุคตเจ้าทรงเต่งอุทานเป็นเชิงเตือนในเวลานั้นว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดีมักปลอมมาในรูปที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักมาในรูปที่น่ารักทุกมักมาในรูปแห่งความสุขเพราะเหตุนี้คนจึงประมาทมัวเมาเหลือเกิน ส่วนมากหลงไหลในมายาธรรมคือสิ่งกลับกรอกหลอกลวงยึดถือเอาว่าเป็นสัจธรรมคือความจริงจึงถูกมายาธรรมนั้นห้ามหันย่ำยีบีบคั้นหัวใจให้ต้องเศร้าโศก ค, คล้ามครวญลาพันธ์ที่พอสุขก็หาใช่สุขจริงไม่เป็นเพียงทุกข์ที่ปลอมเข้ามาในรูปแห่งความสุขหรือมีสุขเป็นเหยื่อล่อเล็กน้อยเหมือนศัตรูปลอมมาในรูปแห่งมิตรอหนึ่ง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 ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงก็มีนั้นเมื่อได้มาแล้วหาใช่จะอำนวยสุขให้ฝ่ายเดียวไหมมันมีความทุกข์ความกังวลใจแอบแฝงมาด้วยต้องเฝ้าต้องระวังโจรไม่เป็นอันนอนให้เป็นสุขก็มีต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์สินก็มีมียศแล้วต้องมีความเป็นอยู่เติบกว่าคนสามันต้องหาทรัพย์มากขึ้นมักหาได้ไม่พอใช้ต้องมีภาระมาก เวลาไม่เป็นของตนเป็นที่ก็ออาศัยของผู้อื่นจนุงนางต้องพลอยทุกข์กับคนนั้นคนนี้บางคนพอมียศข้าวก็ลืมตัวไม่เป็นอยู่อย่างเคยเป็นเหตุให้เสียมิตรเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องก็มีเพราะไปหลงติดยศอันเป็นเปลือกของคนจนแสงสว่างแห่งธรรมไม่อาจส่องถึงใจได้ท่านผู้สแสวงสัจจะเรื่องนี้อย่าพูดเพียงกรหายเลย แม้บรรพชิตบางรูปก็เมายศเหมือนกันยิ่งยศสูงขึ้นอาสวะก็พลอยหนาขึ้นตามมันย้อมจิตให้มัวเมาและเมาหนักขึ้นเพราะเปลือกหนาขึ้นอยู่ในแวดวงของลาบยศสรนเสริญเฉยเฉยเคยตัวทำผิดไม่มีใครกลา้าติเตียนทำถูกเล็กน้อยคนก็พลอยชมแล้วชมอีกจนใจเหลิงเพราะสรนเสริญเหมือนเหล้าหวานชวนให้เพลินดื่มเท่าไรไม่พอเผลอตัวได้ง่าย เดิมเล่าซะอีกยังได้ง่ายกว่าและมีผู้คอยช่วยยังส่วนสันเสริญมาจากผู้อื่นยั่วยวนใจอยู่เสมออยากได้รับให้ยิ่งขึ้นกว่าที่เคยได้เมื่อไม่ได้รับดังปรารถนาก็ร้อนใจหรือบ่อถูกอินทาก็เล่าร้อนยิ่ขึ้นนี่คือโทษของลาบยศสันเสริญเท่าที่พอมองเห็นได้มันเป็นสุขที่อยู่กับทุกจึงเป็นสุขปลอมหาใช่สุขแท้จริงไห่ สุขแท้ต้องเกิดจากคุณธรรมจากการทำความดีทำความเพียรลดละอาสวะซึ่งหมักดองสันดานให้มืดมนกิเลสลดลงเท่าไรทุ ก, ก็ลดลงมากเท่านั้นเมื่อทุกลดลงถึงที่สุดแล้วก็เรียกว่าที่สุดแห่งทุกขคือนิพพานเหมือนเมื่อความร้อนลดลงถึงที่สุดก็เป็นสภาพที่เย็นที่สุดนี่แหละคือความสุขแท้ไม่มีความทุกข์แฝงมาด้วย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 แสงสว่างในดวงจิตจึงมีน้อยไม่อาจมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงได้จึงถูกหลอกอยู่เรื่อยไปถูกโลกิยารมณ์คือล่า บ, บ้างยดบ้างสันเสริญบ้างหลอกเอามอมให้เมาอยู่เป็นหนึ่งนิดจนปัญญามืดลงไม่สามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงของชีวิตได้พระราดาอันว่าบุคคลผู้เดินอยู่ในที่มืดใครมีแสงสว่างในมือเท่าไดร ก็เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าได้เท่านั้นคนมีแสงสว่างน้อยก็เห็นได้น้อยและก็เห็นได้เฉพาะวัตถุห ย, ยาบหยาบส่วนผู้มีแสงสว่างมากก็เห็นได้กว้างไกลและเห็นได้แม้วัตถุละเอียดก็พอมองเห็นได้ฉันใดในโลกกสิีิวาทอันมืดมิดเดินโมหะก็ฉะนั้นผู้ใดมีแสงสว่างคือปัญญาน้อยก็ได้เห็นความจริงของชีวิตน้อยผู้มีปัญญามากลึกซึ้ง กว้างขวางก็ได้เห็นความจริงของชีวิตมากเป็นเหตุให้ฉลาดในวิถีชีวิตรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์และก็เว้นเหตุแห่งทุกเสียประกอบพ่อคูนเหตุแห่งสุขพร้อมทั้งอุบายอันฉลาดในการหลีกเหตุแห่งทุกประกอบเหตุแห่งสุขเหมือนคนมีจักษุดีเว้นทางอันขรุขระเต็มไปด้วยอันตรายดาเนินไปในทางที่ปลอดภยัยฉะนั้น แต่น่าเสดายที่กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนก็มักย่างเข้าสู่วัยชราจนทำอะไรไม่ค่อยทันเสียแล้วได แ, แต่นั่งนอนทอดถอนใจว่าถ้ารู้อย่างนี้คงจะทำอะไรอะไรได้ดีกว่านี้ท่านผู้สแสวงสัจจะความเข้าใจในชีวิตเป็นเรื่องประเสริฐสุดของมนุษย์ศิลปะแองการน์นำโรงชีวิตเป็นศิลปะชั้นสูงของมนุษย์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 ธรรมเสนาบดีกับชัมพุปริพาชิกาเดิมทีเมื่อยังไม่ได้บวชชัมพุปริพาชิกาชื่อคุณทนเกษีเธอเป็นทิดาของเศรษฐีเมืองราชคฤึกเมื่ออายุปฐมวัยประมาณ16ปีนั้นมีความงามเป็นที่เลื่องลือใครได้เห็นก็กล่าวขวัญไปนานแต่ว่าคนภายนอกไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนางบ่อยนะัก เพราะว่าท่านเศรษฐีประคับประคองห่วงแหนให้นางอยู่บนปราสาทชั้นที่7ให้มีสเตรยรับใช้คอยเอาใจผลนิบัติให้มีความสุขมีให้ขัดข้องในสิ่งที่นางปรารถนาแต่ว่าเด็กสาวอายุ 16-17 ปีนั้นย่อมมีจิตใจอยากรู้อยากเห็นในสิ่งอันตนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอันหนึ่งเล่าแรงกระตุ้นตามธรรมชาติก็คอยรบเร้าใจของนางอยู่เสมอ มีคนไม่มากนักดอกที่มีจิตใจเข้มแข็งสามารถเหยียบสัญชาตญาณ น, นังกล่าวนั้นไว้ได้ไม่ให้มีพิษสงต่อชีวิตอันกระโดดเล่าอยู่บนโลกที่ระอุ ด, ด้วยเพลิงนาน า, นานประการได้นอกนั้นสัญชาตญาณแห่งธรรมชาติมักอยู่เหนือเสมอวันหนึ่งมานางยืนรับลมชมทิวทัศน์อยู่บนปราสาทนั้นในเวลาเย็น ได้เห็นราชบุรุษนำโจรผู้หนึ่งผ่านมาเขาถูกจับมัดเอามือควายหลังและกําลังถูกเคี่ยนโดวยวายครั้งละสีเส้นนำไปสู่ที่ฆ่านางมีจิตปฏิพัติ์ต่อโจรนั้นมีความปรารถนาอย่างแรงที่จะได้โจรนั้นมาเป็นคู่คลองแต่ไม่ทราบจะทำประการใดจึงเข้าห้องปิดประตูไม่ยอมพูดจากับใครและไม่ยอมบริโภคอาหาร จิตของนางรำพึงถึงแต่โจรเท่านั้น สารีบุตรเป็นอุปชาองค์แรกในยติจตุตกรรมวิธีอุปสมบทในพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่สาวิธีนั้นวิธีแรกคือเอหิพิกุุปสัมปทาซึ่งพระศาสด า, สดาทรงประธานเองแก่ผู้ที่มุ่งอุปสมบทด้วยพระวาจาว่าจงมาเป็นภิกษุด้วยกันเถิดเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าผู้นั้นถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้ว คือบรรลุอรหัตผลแล้วแล้วขออุปสมบทก็จะไม่ตรัสประโยคหลังตรัสเพียงว่าจงมาเป็นภิกษุด้วยกันเถิดต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาเมื่อมีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาจะบวดพระสาวกต้องพามาเฝ้าพระศาสดาเพื่อประทานอุปสมบทให้บางทีต้องเดินทางมาจากที่ไกล พระพุทธองค์ทรงเห็นความลำบากของผู้ที่มุ่งการอุปสมบทและความลำบากของพระสาวกจึงทรงพระอนุญาตให้ระสาวกอุปสมบทคุรบุตรได้เองโดยให้ผู้ปรารถนาจะบวชเปล่งวาจาถึงพระตนาตรายว่าพุทธัทงสารนังขฉามิเป็นต้นวิธีนี้เรียกติสราระคมนูปสัมปทา คือการอุปสมบทโดยวิธีถึงสารณะสามต่อมาทรงพระอนุญาตการอุปสมบทแบบยติเจตุตกรรมคือมีการเสนอยติหนึ่งครั้งและขอความยินยอมพร้อมใจจากพระสงฆ์อีกสามครั้งสาวาระรวมเป็นสี่ทั้งยติจึงเรียกยติเจตุตกรรมวิธีนี้เป็นการมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่อย่างแท้จริงซึ่งมีพระสารีบุตร เป็นอุปช่ายองค์แรกและราทะเป็นภิกษุรูปแรกของวิธีนี้พระราทะนั้นเกิดในสกุลพราหม์เมื่อเป็นเครือขัดได้เป็นผู้ติตกทุกได้ยากในยามชาราซึ่งเป็นความทุกข์อย่างหนักของชีวิตไม่มีที่พึ่งอื่นจึงไปอาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเฉตวรนเมืองสาวัตถีช่วยดาย้ากวาดบริเวณวัด และถวายน้าล้างหน้าบ้วนปากน้าล้างมือล้างเท้าเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายพรามราธะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยากบวชเหลือเกินแต่ว่าไม่มีภิกษุรูปใด ย, ยอมบวชให้เพราะเห็นว่าราธพรามแก่แล้วเกรงจะเป็นผู้ที่มีมานะจัดว่ายากสอนยากพรามผายพร้อมลงเพราะความไม่สมหวังวันหนึ่ง พระาศาสดาทรงตรวจอุปนิสัยของสัตวโลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอารหัตผลของราธพรามจึงเสด็จไปยังที่ที่พราหม์กวาดลานวัดอยู่ตรัสถามว่าได้รับการสงเคราะห์อะไรจากพิสุท์ทั้งหลายบ้างพราหมณ์กราบทูลว่าได้อาหารพออย่างชีพได้อาศัยหลับนอนสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือได้บวชในพระพุทธศาสนา แต่ไม่มีภิกษุรูปใดบวชให้ด้วยเห็นว่าแก่แล้วพระศาสดาทรงปราบรเรื่องราธพราหมณี้รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามท่ามกลางสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายในบรรดาภิกษุจำนวนเท่านี้ใครเคยได้รับอุปการะไรๆแม้เพียงเล็กน้อยจากราธพราหมบ้างเมื่อภิกษุอื่นๆนิ่งอยู่ ระสารีบุตรจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระจอมุนีข้าพระองค์ระลึกได้อยู่คือวันหนึ่งนานมาแล้วข้าพระองค์ออกปิณฑบาตในเมืองราชคลึกราธ้าพราหมณได้แห่อาหารทัพีหนึ่งแก่ข้าพระองค์สารีบุตรเมื่อเป็นดังนี้เธอช่วยเบื้องทุกข์ของพราหมณ์ผู้เคยมีอุปการะแก่ตนมีควรหรือควรพระเจ้าข้าข้าพระองค์จักให้พราหมณ์นี้บวชเอง ดูก่พระราดาดูความงามแห่งอุปนิสัยของผู้มีธรรมในจิตซึ่งมีความกตัญญูกะตะเวทีเป็นพื้นฐานระลึกถึงอุปการะของผู้ที่เคยทำความดีแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยเพียงข้าวทัพีเดียวไม่ต้องกล่าวถึงอุปการะมากเมื่อพระราทะบวชแล้วโดวยจิตจะตุทะกรรมรวิธีโดยความยินยอมของพิสุสงู์ดังนี้แล้ว ก็มีความชื่นชมโสมนัสเป็นที่ยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่คอยและหวังมาเป็นเวลานานประหนึ่งพื้นปตัตพีอันแห้งผากแตกระแหงเพราะขาดน้ำบดไอพิรุณหลังลงอย่างหนักย่อมชุ่มชื้นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันพลันพร้อมที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งพืชพันธุ์อันอุดมเป็นที่ชื่นชมโสมนัสแก่สัตว์ทั่วปตัตพี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 แต่ท่านก็ไม่เคยปิปากบนในเรื่องนี้เลยฝ่ายพระธรรมเสนาบดีได้ทราบความลำบากเรื่องอาหารของพระราทะผู้เป็นสัตวที่วิหาริกของตนจึงขวนขวายช่วยเหลือโดยการนําไปสู่ที่จาริกต่างๆมีภิกษุตามไปน้อยพระธรรมเสนาบดีมีบารมีสูงมีคนเลื่อมใสามากจึงไม่ลำบากด้วยคัตชโภชนาหาร พระราธาได้อาศัยให้อินทรีย์กัะเีื่กระเปล่าขึ้นมีผิวพรรณผ่องใสขึ้นในขณะที่จาริกอยู่นั้นพระสารีบุตรก็พร่ำสอนอบรมและตักเตือนพระราชาอยู่เสมอว่าสิ่งนี้ควรเว้นสิ่งนี้ควรทำพระราชะเป็นพระแก่ที่ว่าง่ายสอนง่ายรับโอวาท ด, ด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาทของพระสารีบุตรอย่างสม่ำเสมอ ไม่นานนักก็ได้สําเร็จอ ร, รหัตผลพระสารีบุตรนําพระราทะกลับมาสู่สาํานักของพระาศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสารีบุตรสิทธิ์ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายหรือว่าง่ายเหลือเกินพระเจ้าข่าเมื่อข้าพระองค์เห็นความผิดความบกพร่องไรายๆกล่าวสอนอยู่พระราทะไม่เคยโกรธเลย สารีบุตรหากเธอได้สัติวิหาริกอย่างนี้เธอจะรับได้สักเท่าใดรับได้มากมายไม่จำกัดพระเจ้าขาพระราดาคนดีแม้มีมากก็ไม่หนักส่วนคนชั่วแม้มีน้อยก็หนักแผ่นดินบางคนหนักจนเป็นดินรับไม่ได้ถูกแผ่นดินสูบไปก็มีคนดีแม้มีอยู่มากก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน ส่วนคนชั่วอยู่กันเพียงจำนวนน้อยก็วุ่นวายเดือดร้อนผู้น้อยที่ว่ายากสอนยากแม้เพียงคนเดียวก็ไปที่หนักอกหนักใจของผู้ใหญ่ถ้าว่าง่ายสอนง่ายแม้มีจำนวนมากก็ไม่ก่อความหนักใจให้มีแต่ให้ความโปร่งใจเบาใจและชื่นใจเพราะทำอะไรพูดอะไรก็ถูกใจไปหมดพระราดาคนสอนยากนั้นมีอยู่สองจะพวกคือ พวกหนึ่งมีทิฏฐิจัดกระด้างไม่ยอมรับฟังโอวาทอีกพวกหนึ่งรับฟังโอวาทไม่กระด้างแต่ว่ามีสติปัญญาน้อยไม่สามารถเข้าใจในคำสอนได้โดยง่ายต้องคอยเข็นคอยชี้คอยจี้ให้ทำเขาไม่มีปัญญาเครื่องพิจารณาด้วยตนเองว่าอะไรควรทาอย่างไรให้เหมาะสมเป็นเรื่องๆไปคนอย่างนี้ เป็นสิทธ์ก็เป็นที่หนักใจเหนื่อยใจของครูเป็นผู้อาศัยก็เป็นที่เหนื่อยใจหนักใจของเจ้าของบ้านการใช้ให้คนโงท่ทำงานบางทีก็เหนื่อยกว่าทำเองเสอีกเหนื่อยใจเพราะเขาทำงานให้ผิดให้เสียการตามแก้ความผิดความเสียของงานนั้นเป็นความเหน็ดเหนื่อยทั้งทางกายและทางใจเริ่มทำใหม่เสเองยังสบายกว่าอย่างน้อยก็เป็นความสบายใจ เพราะฉะนั้นคนที่มีนิสัยดีอยู่แล้วการฝึกตนให้เป็นผู้มีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดจึงเป็นสิ่งสมคัญและจำเป็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนาการที่ธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเถระเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีระลึกถึงอุปการะของพรามผู้เคยถวายอาหารแก่ตนแม้เพียงทพีเดียว ท่านได้เป็นอุปชัยยะให้พรามผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วรับว่าได้ทํากิจที่บุคคลอื่นทําได้ยากฝ่ายพระราธะเล่าท่านก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอดทนต่อโอาวาทพระราดาธรรมดาบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีนั้นย่อมระลึกถึงเสมอซึ่งอุปการะที่ผู้อื่นกระทําและแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยคอยหาโอกาสตอบแทน ความดีที่คนอื่นทําแลกแก่ตนฝังจิตฝังใจของตนอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีความกตันยุกตเวทีใครทําคุณให้คุณนั้นปรากฏเพียงชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ําคนมีความกรทันยุย่อมไม่ถือเอาข้าวบกพร่องเล็กน้อยของผู้มีคุณมาลบล้างคุณงามความดีส่วนใหญ่ทํานองอาไปบัวปิดท้องฟ้า หากใบบัวนั้นอาจปิดตาของตนไม่ให้เห็นทองฟ้าได้แต่ว่าทองฟ้าย่อมปรากฏแก่คนทั่วไปอยู่เสมอคนกตันยูกัตเวทีมีแต่ความเจริญไม่เสื่อมส่วนคนอกตันยูมีแต่ความเสื่อมไม่เจริญ ศาสดาสเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นที่สารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีแม้ในชาติก่อนสมัยเป็นช้างซึ่งเป็นสัตว์ติระฉานสารีบุตรก็มีความกตัญญูกะตะเวทีเหมือนกันเมื่อตรัสดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่ง ผูกต่อไม้แหลมตาเท้าเดินไปไหนไม่ได้พวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเขาในป่าช่วยกันถอนต่อไม้แหลมนั้นออกจากเท้านำยาสมุนไพรมาพอกให้ช้างนั้นหายโรคแล้วระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้ได้นำลูกช้างเผือกเชือกหนึ่งมาเป็นเครื่องตอบแทนช้างผู้กตัญญูนั้นคือพระสารีบุตรในบัดนี้ พระศาสดาทรงปราลพภาษารีบุตรตรัสเรื่องช้างดังนี้แล้วทรงปรารบพระราทะตรัสเรื่องความผู้ว่าง่ายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนพระราทะคือเมื่ออาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควโครโกรธพึ่งมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดังนี้แล้วทรงย้ำว่า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 คนเตือนจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายครั้งก่อนจะเตือนใครได้พเพราะเกรงเขาจะโกรธบ้างเหตุผลในการเตือนมีเพียงพอหรือไม่บ้างถ้าเขาเถียงมีเรื่องขุนข้องมองใจกันเกิดขึ้นควรจะทำอย่างไรบ้างเขาอาจจะด่าว่าใสา่หน้าว่ามัวเที่ยวเตือนคนอื่นอยู่คอบกพร่องของตนก็มีทำไมไม่เตือนตนแก้ไขข้อบกพร่องของตนบ้างเป็นตน้น โดยนัยยะดังกล่าวมาการเตือนคนอื่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เตือนจะต้องเสี่ยงต่อหลายอย่างการตัดสินใจเตือนผู้อื่นเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้หมายถึงผู้เตือนด้วยความหวังดีไม่ใช่ผู้มุ่งร้ายพระราดาผู้ชี้โทษนั้นมีอยู่สองพวกคือผู้แสหาโทษคอยจ้องหาความผิดของผู้อื่นพวกหนึ่งคนพวกนี้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 พวกที่สองนี่ดีเมื่อเตือนใครคนนั้นไม่ควรโกรธควรทําความรู้สึกในท่านผู้นั้นว่าเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดูก่อนผู้เห็นภัยในวัตฏะเกี่ยวกับเรื่องการเตือนนี้สําหรับภิกษุควรภารณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนกันว่าท่านอยู่ในฐานะเป็นอุปัชฌายะอาจารย์ของกระผมเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่กรุณาเตือนกระผมต่อไป ขอท่านได้โปรดเตือนกระผมอีกเมื่อเห็นการกระทำสิ่งใดอันไม่เหมาะไม่ควรดูก่นผู้สแสวงหาคุณที่ตรัสว่ากล่าวปลามในิคเครหวาทีนั้นคือไม่เห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็รีบบอกให้รู้บังคับให้เลิกการกระทำเช่นนั้นเสียอาจารย์ลูปชาญะบางพวกเห็นข้อบอกพร่องของศิธิ์แล้วไม่กล้าพูดเด็กแล้งจะเสื่อมความรักความนับถือของศิ เพลงเธอจะเลิกอุปถาเลิกปลนิบาเสียการกระทาดังนี้เป็นการเกลียรหรือเรียรายอยากเยื่อลงในศาสนาส่วนอาจารย์หรืออุปชายะที่ดีนั้นเมื่อเห็นข้อบกพร่องของสิทธ์แล้วจะต้องกล่าวตักเตือนหรือลงโทษตามสมควรแก่โทษดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพร ะ, พะอนนนว่าดูก่อนอ น, นุน เราจะพูดปลามแล้วปลามเล่าซึ่งคนที่ควรปลามเราจะกล่าวยกย่องแล้วยกย่องเล่าซึ่งบุคบคลผู้ควรยกย่องผู้ใดเข้มแข็งมีสาระในาศาสนาก็จะอยู่ได้ดังนี้ด้วยเหตุนี้ผู้เป็นครูอาจารย์จึงต้องมันตักเตือนสั่งสอนสิทธิครูอาจารย์ที่สิทยิจะรักในบ้านปลายก็คือครูที่มันสั่งสอนวิชาอบรมบ่มนิสัยสิทธิให้เป็นคนดี ปลูกฝังให้เป็นคนดีมีอุดมคติมีหลักใจส่วนครูอาจารย์ที่ปล่อยปาะละเลยสิทธิ์อาจเห็นเป็นทางสบายในเบื้องตน้นแต่ก็จะดูหมิ่นในเบื้องล่างถึงจะมีความเคารพนับถือก็อไม่แน่นแฟน้นเพียงสักแต่ว่าแสดงความเคารพนับถือพอเป็นพิธีเพื่อมิให้คนทั้งหลายกล่าวได้ว่าไม่เคารพนับถือในครูบาอาจารย์กล่าวในระหว่างมิตร มิตรสหายที่หวังดีต่อกันต้องตักเตือนกันคนฉลาดย่อมเห็นมิตรผู้ตักเตือนตนเป็นมิตรแท้ส่วนคนโง่ทำตนให้ใครตักเตือนไม่ได้ในที่สุดก็หามิตรที่ดีไม่ได้จะได้ก็ตะมิตรปลอกลอกมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางชิบหายเท่านั้นพ่อแม่ก็ทำหนองเดียวกันเมื่อรักลูกก็ต้องมันตักเตือนอบรมสั่งสอนปลูกฝังให้เป็นคนดี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 ลูกจะเสียอนาคตไปทั้งชาติการอบรมลูกให้ดีแม้จะเด็ดเหนื่อยลำบากบ้างในเบื้องตน้นแต่ก็มีผลอันน่าชื่นใจเป็นอันมากในบั้นปลายกล่าวถึงผู้เตือนเมื่อรู้ถึงความหวังดีของผู้เตือนดังนี้แล้วก็ควรรับคำเตือนด้วยความเคารพให้ความหวังแก่ผู้เตือนว่าคําตักเตือนสั่งสอนของเขาจะไม่เป็นมันเสทีเดียวอย่างน้อย ผู้ถูกเตือนก็นำไปปฏิบัติตามบ้างตามความสามารถหรืออย่างน้อยที่สุดก็พยายามเพื่อปฏิบัติเช่นนั้นอย่างนี้ถ้าเรียกว่าผู้ว่าง่ายสอนง่ายความเป็นคนสอนง่ายนั้นเป็นสเสน่เป็นทางผูกมิตรเป็นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ความดีงามต่างๆอีกมากมายเป็นที่ยกย่องของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น รรมเสนาบดีสารีบุตรกับนางสูจิมุขีและอันตรายจากลาบสการะขณะที่พระสารีบุตรพักอาศัยอยู่ณเวลุวันเมืองราชคลื่นนั้นวันหนึ่งท่านออกบินทบาทในเมืองราชคลื่นเมื่อได้อาหารพอสมควรแล้วจึงแวะฉันใกล้ฟาเรือนแห่งหนึ่งพอดีปริพาชิกานางหนึ่งชื่อว่าสูจิมุขีแปลว่า มีหน้าแหลมหรือมีปากแหลมเหมือนเข็มผ่านมาเห็นข้าที่ว่ามีปากแหลมเหมือนเข็มนั้นอาจจะเป็นนามที่ได้โดยลักษณะของนางคือว่านางมีปกติชอบพูดจาทิ่มแทงคนอื่นให้เจ็บแสบแม่เรื่องที่มาพบพระสารีบุตรนั่งฉันอยู่ใกล้ฝาเรือนนั้นก็เหมือนกันนางอดไม่ได้ที่จะพูดทิ่มแทงนางเห็นพระสารีบุตรนั่งฉันอยู่อย่างนั้น จึงว่าสมณะผู้นี้ก้มหน้าฉันพระสารีบุตรตอบว่าเราไม่ได้ก้มหน้าฉันถ้าอย่างนั้นท่านแหงหน้าฉันเราไม่ hum, ได้แหงหน้าฉันถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันนางหาเรื่องต่อไปเราไม่ได้หันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันถ้าอย่างนั้นท่านหันหน้าไปทางทิศน้อยฉัน เราไม่ได้หันหน้าไปทางทิศน้อยฉันนางสุจิมุขีจึงว่าข้าพเจ้าพูดอย่างใดอย่างใดท่านาป็ปฏิเสธเสียสิน้นถ้าอย่างนั้นท่านฉันอย่างไรพระสารีบุตรตอบว่าน้องหญิงสมณพราหมณ์เหล่าใดเลี้ยงชีพโดยติละฉานวิชาคือวิชาดูที่ต่างๆว่าที่ตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีเป็นต้น สมณพราหม์เหล่านั้นเรียกว่าก้มหน้าฉันสมณพราหม์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยเดรชานวิชาคือวิชาดูดาวนักสัตว์ทำนายทายทักโดยอาศัยดวงดาวสมณพราหม์เหล่านั้นเรียกว่าแงหน้าฉันสมณพราหม์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยเดรชานวิชาคือรับใช้เป็นทูตเขารับใช้ปไปโนดหมานีให้เขาเพื่อได้ขาจ้าง หรือเพื่อได้ลาบสการะเป็นเครื่องตอบแทนสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าหันหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดเลี้ยงชีพด้วยิรยชานวิชาคือวิชาดูอวัยวะร่างกายสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าหันหน้าไปทางทิศน้อยฉันน้องหญิงเราไม่ได้อาศัยิรยชานวิชาเหล่านั้นเลี้ยงชีพจึงชื่อว่า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 เมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัพพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะเชตวนารามเมืองสาวัตถีนั้นพรามผู้หนึ่งชื่อว่าปิงคลากูดะเข้าไปเฝ้าเมื่อได้ทักทายปลาสายกันพอสมควรแล้วพรามได้ทูลถามขึ้นว่าพระโคโดมผู้เจริญสมณะพรามผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะที่นี้ชื่อเสียงปรากฏมีคนรู้จักเคารพนับถือมากเช่นปูรณกสปะเป็นต้น ท่านเหล่านั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงตามบทิญญาของตนหรือว่าไม่รู้แจ้งเห็นจริงเลยหรือว่าบางพวกรู้บางพวกไม่รู้อย่าเลยพรามณ์อย่าพูดถึงท่านเหล่านั้นเลยเขาจะรู้จริงหรือไม่รู้จริงเขาช่างเถิดอย่าไปมัวสนใจเขาเลยถ้าหากว่าท่านต้องการจะฟังธรรมเราจะแสดงธรรมให้ฟังเมื่อพรามณ์ปิงคลโกชะทูลรับว่า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 แต่ได้ถากเอาสเก็ดไปอีกคนหนึ่งถากเอาเปลือกไปอีกคนหนึ่งถากเอากะพี้ไปบุรุษเหล่านั้นสําคัญผิดว่าสเก็ดเปลือกกระพี้เป็นแก่นเพราะความเขาไม่รู้จักแก่นไม้พวกเขาย่อมไม่อาจยังประโยชน์ที่จะพึงทําด้วยแก่นไม้ให้สําเร็จได้ส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งต้องการแก่นไม้ฉลาดรู้จักแก่นไม้ จึงตัดเอาแกนไปคนที่รู้เรื่องดีเห็นเข้าก็รู้ได้ทันทีว่าบุรุษนั้นย่อมได้รับประโยชน์จากแก่นไม้ดูก่อนพราหมณ์เรื่องที่กล่าวเป็นอุปมานี้ฉันใดข้ออุปมาต่อไปนี้ก็ฉันนั้นคือกุลบุตรบางคนในาศาสนานี้มีศรัทธาออกบวชประพฤตินตนเป็นอนาคาริกะมุนีไม่คลองเรือนเพราะเห็นทุกข์ต่างๆเบียดเบียนตนอยู่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 พอใจเต็มปรารถนาในศีลสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีลแล้วยกตนขมผู้อื่นเพราะเหตุแห่งศีลสัมปทานั้นไม่ขวนขวายเพื่อคุณธรรมอันสูงขึ้นไปเธอเปรียบได้กับบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่กลับถากเอาสะเก็ดไปบางคนไม่ติดในลาบสการะและศีลแต่ไปติดในสมาธิพอใจเต็มปรารถนาในคุณธรรมคือสมาธินั้นไม่ขวนขวายเพื่อคุณธรรมอันยิ่งขึ้นไป เธอย่อมเปรียบได้กับบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่กลับไปถากเอาเปลือกไปบางคนไม่ติดในสมาธินั้นแต่ไปติดอยู่แค่ปัญญาหรือยานัทสนะพอใจเต็มปรารถนาในยานัศนะนั้นไม่พยายามพระคุณธรรมอันยิ่งขึ้นไปเธอย่อมเปรียบได้กับบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่กลับไปถากเอากะพีไปบางคนไม่ติดในลาบสการะชื่อเสียง ไม่ติดอยู่เพียงแค่ศีลสมาธิปัญญาพยายามขวนขวายโดยลำดับเพื่อความสิ้นอาสวะและได้สิ้นอาสวะด้วยปัญญาณชอบได้เสวยสวรสแห่งวิมุตคือความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงบุคคลเชนนี้แหละเปรียบได้กับบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้และได้ตัดเอาแก่นไปสมประสงค์พระสถาคตเจ้าตรัสย้ำตอนท้ายว่าดูก่อนพรามณ์ โดยประการาชนี้แหละพรหมจรรย์คือการประพฤติความดีในศาสนานี้มิใช่ลาบสการะหรือชื่อเสียงเป็นจุดมุ่งหมายมิใช่ศีลสมาธิและปัญญาหรือยาณทัศนะเป็นจุดมุ่งหมายแต่การประพฤติความดีในศาสนานี้มุ่งเอาความหลุดพ้นแห่งใจจากอาสวะทั้งปวงเป็นจุดมุ่งหมายและความหลุดพ้นนั้นไม่กลับกำเริบอีกคือไม่กลับมาติดพันทําให้ตกต่าลงอีก ความหลุดพ้นอย่างนี้แหละเป็นที่ต้องการเป็นแก่นสารเป็นที่สุดโดยรอบแห่งการประพฤติความดีในศาสนานี้ดูก่อนผู้สแสวงหาสาระกล่าวโดวยสรุปอีกทีหนึ่งเพื่อจำง่ายก็คือลาบสการะชื่อเสียงเปรียบเสมือนกิ่งใบของไม้ความสมบูรณ์ด้วยศีลเปรียบเสมือนสเก็ดไม้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเปรียบเสมือนเปลือกไม้ ความสมบูรณ์ดยานัทสนะหรือปัญญาเปรียบเสมือนกับพีไม้ความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กำเริบอากุปปาเจโตวิมุตติเปรียบเสมือนแก่นไม้